ปัญหาที่หกถามถึงวันนะสันฐานของผู้ไปเกิดในโลกอื่นพระเจ้ามีลินตถามอีกว่าข้าแต่พระนักเซนยมจับถามถึงเหตุอันยิ่งขึ้นไปคือผู้ไปสู่โลกอื่นไปด้วยสีเขียวแดงเหลืองขาวแสดเลื่อมอย่างไรหรือไปด้วยเพศช้างมา้ารถอย่างไร ขอถวายพระพรข้อนี้พระพุทธเจ้ามีได้ทรงบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกพุทธวจนะพระเจ้ามีลินตรัสถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พระนาคเสนถ้าพระสมณโคดมไม่บัญญัติไว้ว่าผู้ไปเกิดในโลกอื่นในระหว่างทางนั้นต้องมีสีเขียวหรือสีเหลืองแดงขาวแสดเลื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะว่าพระสมณโคดมทรงรู้ทุกสิ่งได้หรือคำของคุณนาชิวะกะผู้เป็นอาจารย์ใหญ่กล่าวไว้ว่าผู้ไปสู่โลกอื่นไม่มีก็ต้องเป็นของจริงผู้ใดกล่าวว่าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีผู้ไปเกิดในโลกอื่นไม่มีผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ากล่าวถูกได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตพระนาคเสนตอบว่า ขอถวายพระพรมหาบอพิษขอมหาบอพิษจงตั้งพระทยฟังถ้อยคําของอาตมาภาพยมตั้งใจฟังอยู่แล้วขอถวายพระพรถ้อยคําของอาตมาภาพที่พ้นออกไปจากปากไปถึงพระกันของพระมหาบอพิษนั้นในระหว่างที่ยังไปไม่ถึงนั้นเสียงของอาตมาภาพมีสีอย่างไร มีเส้นทรงอย่างไรไม่เห็นได้พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้ามหาบอพิษว่าเห็นไม่ได้เสียงของอาตมาภาพก็ไปไม่ถึงพระกันของมหาบอพิษมหาบอพิษก็ตัดคำเหลาะแหละนะสิโยมไม่ได้พูดเหลาะแหละถึงท้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าไม่ปรากฏสีเขียวหรือสีเหลือง ในระหว่างทางก็จริงแต่ถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าก็มาถึงโยมจริงข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบอพิษถึงผู้ไปในโลกอื่นนั้นจะไม่ปรากฏสีเขียวหรือสีเหลืองในระหว่างทางก็จริงแต่ผู้ไปเกิดในโลกอื่นนั้นก็มีอยู่เหมือนถ้อยคำของอาตมาน่าอัศจรรย์พระนักเส้น ขอพระผู้เป็นเจ้าจงเสวยราชสมบัติใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นนี้เถิดพระขันหานี้ไม่ได้ไปสู่ในโลกอื่นขันห้าไม่มีอะไรตกแต่งเกิดขึ้นเองสงสารก็ไม่มีอุปมาด้วยการทำนาขอถวายพระพรมหาบพิตรเคยโปรดให้ทำนาหรือไม่อ๋อเคยให้ทำ ขอถวายพระพรข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดินย่อมมีรวงงอกขึ้นเมื่อรวงข้าวสาลีงอกขึ้นจะว่างอกขึ้นเองหรืออย่างไรข้าแต่พระนักเสนข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดินย่อมมีรวงงอกขึ้นจะว่างอกขึ้นเองไม่มีผู้ใดกระทาไม่ได้ขอถวายพระพรถ้าข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดิน ยังไม่มีรวงงอกขึ้นเมื่อรวงยังไม่งอกขึ้นจะว่าไม่มีผู้ปลูกจะว่าข้าวสาลีไม่มีจะได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรถ้าขันห้านี้ไปเกิดเองคนตาบอดก็จะเกิดเป็นคนตาบอดอีกคนใบ้ก็จะเกิดเป็นคนใบ้อีกบุญก็ไม่มีประโยชน์อันใดถ้าขันห้าไม่มี สิ่งใดตกแต่งเป็นของเกิดขึ้นเองคันห้าก็จะต้องไปนรกด้วยอากุศ ล, ลกรรมขอนิมน์อุปมาให้ยิ่งขึ้นอุปมาด้วยการจุดประทีปขอถวายพระพรเหมือนอย่างมีผู้เอาประทีปมาจุดต่อกันเปรยวยประทีปดวงเก่ากล้าไปสู่ประทีปดวงใหม่หรืออย่างไร ประทิพทั้งสองนั้นมีขึ้นเองไม่มีผู้ใดกระทาอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิษขันห้านี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่นขันห้านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งใดทำให้เกิดข้าแต่พระนาคเซนเวทนาขันไปสู่โลกอื่นหรือ ขอถวายพระพรถ้าเวทนาขันไปสู่โลกอื่นผู้ที่ไปเกิดในโลกอื่นก็คือเวทนาขันอย่างนั้นสิไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะเหตุนั้นแหละมหาบพิษจึงเข้าพระทัยเถิดว่าเวทนาขันในอัตภาพนี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่น ถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสัญญาขันไปสู่โลกอื่นหรือขอถวายพระพรถ้าสัญญาขันไปสู่โลกอื่นผู้มีมือด้วนเท้าด้วนในอัตภพนี้ไปสู่โลกอื่นแล้วก็จะต้องมีมือด้วนเท้าด้วนอีกหรืออย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนั้นแหละ มหาบอพิษจงเข้าพระทัยเถิดว่าสัญญาขันในอัตภาพนี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่นขอนิมน์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยกระจกขอถวายพระพรมหาบอพิษมีกระจกสองพระพักหรือไม่มีพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบอพิษจงทรงหยิบเอากระจกมาวางไว้ ตรงพระพักมหาบอพิษโยมหยิบมาตั้งไว้แล้วขอถวายพระพรดวงพระเนตรพระกันพระนาศิกพระทนของมหาบอพิษปรากฏอยู่ในกระจกนี้เองหรือว่ามหาบอพิษทรงกระทําให้ปรากฏข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าดวงตาหูจมูกฟัน ของโยมปรากฏในวงกระจกนี้ด้วยโยมกระทาขึ้นขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นเป็นอันว่ามหาบอพิษได้ควักเอาพระเนตรตัดเอาพระกัรพระนาสิกและถอนเอาพระทนของมหาบอพิษเข้าไปไว้ในกระจกแล้วมหาบอพิษก็เป็นคนตาบอดไม่มีพระนาศิกและพระทนอย่างนั้นสิ ไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าเงาปรากฏในกระจกเพราะอาศายโยมกระทำขึ้นไม่ใช่ว่าเพราะโยมไม่ได้กระทำขึ้นข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิษไม่ใช่ว่าขันห้านี้ไปสู่โลกอื่นทั้งไม่ใช่ว่าขันห้าไม่มีสิ่งกระทำเป็นของเกิดขึ้นเองสัตว์ถือกาเนิดในครันมารดาด้วยกุศ ล, ลกรรมอากุศ ล, ลกรรม ที่ตนทําไว้เพราะอาศัยขันห้านี้แหละจึงเหมือนเงาปรากฏในกระจกเพราะอาศัยการกระทําของมหาบอพิษฉะนั้นถูกต้องดีแล้วพระนาคเสน